เพราะฉะนั้นความติดใจนั้นอันบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ติดใจผู้ไม่ติดใจก็คือไม่ถึงความติดใจไม่ลหลงไหลไม่หมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะะนะไม่หมกมุ่นในอารมณ์ทั้งหมดนะนะไม่หมกมุ่นในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุข จีวณบินธบาศเสนาสนักีลานัปัจจัยเภสัชบริขารในการมาท่ารูปประทัดอรูปประทัดในการมาพบรูปพบอรูปพบในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณสัญญาภพในเอกวโกรภพจตุโวโกรภพปัญจวโกปปัญจโวโกรภพในอดีตการนาคตรการและปัจจุบันการในรูปที่เห็นเสียงที่ฟังกลิ่นรสโภชภะที่ทราบ เรื่องราวทั้งหลายที่ใจรู้เนี่ยนะเป็นผู้คลายปราศจากสละสำํำรอกปล่อยละสละคืนความติดใจคลายปราศจากสละสำํำรอกปล่อยละสละคืนความกําหนัดแล้วหมดความอยากดับแล้วเย็นแล้วสเสวยความสุขมีตนดุจพรมอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากําหนดรู้ภาษะแล้วไม่เป็นผู้ตามติดใจเนี่ยนะก็ไม่ต้องติดใจนะ เมื่อทำปริญญาในภาษาทุกชนิดทุกทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเพลิดเพลินในอารมณ์หในสกุลเป็นต้นในโลกธรรมในปัจจสี4ในภพสามกำเนดสี่คติห้าวิญญาณทิฏติเ็สัตาวาดเก้าเนี่ยนะไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจในพ่อภูมิทั้งมวลที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะกำหนดรู้ภาษาแล้วเนี่ยนะเพราะทาปริญญาเสร็จแล้วนั่นแหละจึงเป็นอย่างนี้ นิเทศที่ภาษาเรียบบทนิเทศพุทธพจน์ ท, ที่ว่าติเตียนกรรมใดก็ไม่พึงทํากรรมนั้นนะถ้าตําหนิกกรรมใดก็อย่าไปทํากรรมนั้นนะมีอธิบายว่ากรรมใดคือเีรชนย่อมติเตียนกรรมใดด้วยตนเีรชนย่อมติเตียนตนเพราะเหตุสองอย่างนะคือกรรมที่ตัวเองจะติเตียนนะติเตียนสองประเภทคือติเตียนเพราะทากับไม่ทํา อย่างนี้ถ้าติเตียนตัวเองเพราะสิ่งใดอย่าไปทำสิ่งนั้นทีระชนย่อมติเ ต, ตียนตนเพราะการกระทำและเพราะไม่กระทำอย่างไรทีระชนย่อมติเ ต, ตียนตนว่าเราทำกายะทุจริตไม่ทำกายะสุตจริตอันนี้สิ่งที่ตัวเองจะตำหนิตัวเองใช่ไหมเราทำวจีทูจริตไม่ทำวจีสุจริตเราทำมโนทูจริตไม่ทำมโนสุตจริตเราทำปานาติบาตไม่ทำความงดเว้นจากปาณาติบาต เราทำอธินนาทานไม่ทำความงดเว้นจากอธินนาทานเราทำการเมสุมิชฌาจาร์ไม่ทำความงดเว้นจากการเมสุมิชฉาจาร์เราทำมุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาตเราทำปิสุนาวาจาคือการส่อเสียดไม่ทำความงดเว้นจากปิสุนาวาจาเราทำพุทสวาจาคือพูดคำหยาบไม่ทำความงดเว้นจากพุสวาจาเราทำสัมผัปลาปะคือพูดเพ้อเจ้อ ไม่ทําความงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเราทําอภิชาคือความโลภไม่ทําอานาภิชาเราทําพยาบาทไม่ทําอัพยาบาทคือเมตตาเราทํามิจฉาทิฐิไม่ทําสัมมาทิฐิเนไนั่นก็ทีรชนย่อมติเตียนตนเพราะการกระทําและไม่กระทําอย่างนี้ตําหนิตัวเองที่ทําทุจริตสามเห็นไหม ไม่ทําสุจิริสามนี่แหละเป็นเหตุให้ตัวเองตําหนิตัวเองเมื่อตัวเองจะตําตหนิตัวเองอย่างนี้ก็อย่าไปทําอย่างนั้นทีละชนย่อมติเตียนตนว่าเราไม่ทําให้บริบูรณ์ในศีล น, นี่แหละคือเจตุปริสุทธิศีลศีนี่นะไม่คุ้มครองตนในทวารไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือชาคริยานุโยก ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะก็คือศาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นไม่เจริญสติปทานไม่เจริญสัมมัปทานไม่เจริญอิทธิบาทไม่เจริญอินทรีห้าไม่เจริญพระห้าไม่เจริญโพชฌงเจ็ดไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่กําหนดรู้ทุก์ไม่ละสมุทัยไม่เจริญมรรคไม่ทํานิโรธให้แจ้งคนที่จะตําหนิตัวเองเนี่ยนะตำหนิตัวเองก็ตําหนิเพราะว่าหนึ่งตําหนิเพราะไปทําชั่ว ตำหนิเพราะไม่ทำดีตำหนิเพราะทำกายวจีมโนทุจริตไม่ทำกายวจีมโนทุสุจริตตำหนิเพราะทำอกุศลกรรมบทตำหนิเพราะไม่รักษากุศลกรรมบทตำหนิเพราะไม่เจริญเรียกว่าสัตสัปริสรธรรมเนี่ยนะมีศีลเป็นต้นหรือว่าตำหนิตัวเองเพราะไม่เจริญโพธิปัจจยธรรมเนี่ยนะ ตำหนิตัวเองเพราะไม่ทำกิจในอริยสัจไม่กำหนดรู้ทุกันนะไม่ทำปริญญาในทุกข์ไม่ปหาหะะคือละสมุทัยไม่อบรมไม่เจริญอริยมรรคแล้วก็ไม่ไม่ทำให้แจ้งไม่ทำให้เห็นพระนิพพานอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ทำกรรมเอ่อเรียกว่ากรรมที่ที่ตัวเองก็ต้องติเตียนตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ทำกรรมที่ตนติเตียนอย่างนี้ คือไม่ยังกรรมนั้นให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตนติเตียนกรรมใดไม่กระทำกรรมนั้นตัวเองจะสิ่งที่ตัวเองจะตาหนิตัวเองมีเท่านี้แหละสัตว์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ตาหนิตัวเองเพราะทำชั่วทางกายวาจาใจ เพราะประพฤติร่วงอกุศลกรร ม, มบทสิบเพราะไม่รักษาศีลเป็นต้นเพราะไม่เจริญโพธิปักขยธรรมเพราะไม่ทำกิจในอริยสัจอันนี้แหละที่สิ่งที่ตัวเองติเตียนเนี่ยนะพญันทีรชนย่อมไม่ติดในทิฏฐารม์และสุตตารม์ก็คือไม่ติดด้วยตันหากับไม่ติดด้วยทิฐิเนี่ยนะคือความติดด้วยตันหากับความติดด้วยทิฏฐิความว่าทีรชนคือบุคคลผู้มีปัญญาเครื่องทรง ผู้ดำเนินด้วยปัญญาผู้มีปัญญาผู้มีความรู้ผู้มีญาณผู้มีปัญญาแจ่มแจ้งผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทำลายกิเลสทีระชนละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิย่อมไม่ติดคือไม่ติดพันไม่เข้าไปติดเป็นผู้ไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติดแล้วเป็นผู้ออกสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องแล้วในอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบอารมณ์ที่รู้แจ้ง เป็นผู้ไม่ติดอ่เป็นผู้มีจิตกระทำให้ปราศจากเขตแดนกิเลสอยู่นะจิตที่ปราศจากเขตแดนกิเลสก็คือจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นทีระชนย่อมไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ที่เห็นที่ได้ยินที่รู้ที่รู้ทางจมูกที่รู้ทางลิ้นทางกายทางทั้งหมดเนี่ยนะไม่ติดในอารมณ์นั้นด้วยตันหากับทิฏฐิละละความติด ด้วยตัณหาด้วยสมถะถ้าจะละตัณหาในอารมณ์ทั้งมวลต้องเจริญส ม, มถะในทุกอารมณ์ให้ได้ถ้าจะละทิฏฐิในทุกอารมณ์ได้ต้องเจริญปัญญาได้เพราะนั้นต้องมี र, ส ม, มถะกับปัญญาหรือส ม, มถาวิปัสสนากับทุกอารมณ์ถ้าเจริญสมถาวิปัสสนาได้ในทุกอารมณ์จะสละตัณหาสละคืนทิฏฐิได้ถ้าไม่สามารถเจริญส ม, มถาวิปัสสนานได้ในทุกอารมณ์ จะไม่สามารถสละตันหาละทิฐิได้แ น, น่นอนมันสรุปคาถาที่กล่าวไปที่เจ็เนี่ยนะว่าทีรชนพึงกำจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองกำหนดรู้ภาษะแล้วไม่ตามติดใจเนี่ยนะตนติเตียนกรรมใดไม่ทำกรรมนั้นย่อมไม่ติดในอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ทราบเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ติดด้วยตันหากับทิฐิในทุกอารมณ์ นี่คาถาที่แปดว่ามุนีกำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดยึด น, นะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายพึงข้ามโอคาได้เป็นผู้ถอนลูกสอนเสียแล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้ า, านนะก็คุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าทำปริญญาในสัญญาเอาสัญญามาทำปริญญา คาถาก่อนนี้เอาภาษาทำปริญญาให้คาถานี้เอาสัญญามาทำปริญญาไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรสักอย่างข้ามกาโมฆะทิทโถโขฆะพโวฆะวิชโชฆะถอนลูกสอนคือตันหาเป็นต้นแล้วก็ไม่ประมาทประพฤติไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องการอะไรสักอย่างเลยนะคำว่าไม่ต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยเข้าใจไม่ถูกก็เลยไม่สนใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะคนละอย่างกันนะ ไม่หวังอะไรสักอย่างก็คือไม่มีสังขารเป็นอารมณ์สักอย่างหนึ่งเลยจึงเรียกว่าไม่หวังถ้ายังมีสังขารเป็นอารมณ์นะเรียกว่าทําตัวเป็นไม่สนใจจริงๆก็สนใจอยู่นั่นแหละนั่นนะผู้ที่จะพ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่สังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงเรียกว่าไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นถ้าเป็นธรรมะที่พ้นจากสังขารคําว่ากําหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอคะได้เนี่ยนะ ก็มาดูว่าส right. um, okay. ah ัญญาคืออะไรก็คือการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาอันนี้เป okay. ็นอกุศลสัญญานะสัญญาที่เป็นไปกับโลภะสัญญาที่เป็นไปกับโทสะนี่เรียกว่าการมสัญญาพยาบาทสัญญาสัญญาที่ตรงกันข้ามกับการมสัญญาก็คือเนคขมมาสัญญาที่ตรงกันข้ามกับพยาบาทสัญญาก็คืออัพยาปาธาสัญญาตรงกันข้ามกับวิหิงสาสัญญาก็คืออวิหิงสาสัญญาอันนี้เป็นกุศลสัญญานะ กุศลสัญญาก็คือเนฆามาสัญญาอภยปาทาสัญญาวิหิงสาสัญญาสัญญาเหล่านั้นถ้าแบ่งตามทวารทั้งที่เป็นกุศลอกุศลก็คือรูปสัญญาสัตท่าสัญญาคันท่สัญญาระสาสัญญาโพธาภาสัญญาและธรรมะสัญญาเนี่ยนะรูปประสัญญาเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกุศลกับอกุศลนะสัตท่าสัญญาระคันท่ระสาโพธาภาธรรมะสัญญาก็แบ่งเป็นกุศลอกุศลและ อพยากตะเนี่ยนะก็เอาสัญญาเหล่าเนี้ยมาทําปริญญาคําว่ากําหนดรู้หรือปริญญาในสัญญาแล้วความว่ากําหนดรู้สัญญาคือทําด้วยปริญญาสามคือยาตะปริญญาตีระปริญญาและปะหานะปริญญายาตะปริญญาเป็นไนมุนีย่อมรู้สัญญาคือย่อมรู้ว่านี้กามสัญญาอ้เนี นี้พยาบาทสัญญานี้วิหิงสาสัญญาก็ต้องแยกในอารมณ์ทั้งหกนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสนะ น, นี่ติดนะนี้สัญญาด้วยอำนาจราคะนะนี้สัญญาที่เกิดร่วมกับโทสะนะนี้สัญญาที่เราไม่ชอบนะต้องแยกให้เป็นแล้วก็แยกว่าเออเนี่ยคิดอย่างนี้เป็นเนกขมมสัญญาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภะคิดอย่างนี้เป็นอัพยาปาธาสัญญาในรูปเป็นต้นคิดอย่างนี้เป็นอวิหิงสาสัญญาในรูปเป็นต้นเนี่ยนะก็เชื่อ แยกแยะทั้งที่เป็นกุศลสัญญาอกุศลสัญญาในอารมณ์ทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะเป็นต้นเนี่ยนะมันจนกว่าจะสามารถแยกได้อะสมมติว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะขึ้นมาในความคิดปั๊บเนี่ยนี่เป็นการมสัญญาหรือเนคขามาสัญญาแยกให้ออกทีนี้ถ้าแล้วกโกรธเข้าหรือเปล่าหรือว่ามีเมตตาคิดเบียดเบียนหรือว่าคิดกรุณาเนี่ยนะ อันในสิ่งนั้นอะอะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโพธาพะเนี่ยต้องแยกแยกให้หมดนะนะแยกเนี่ยแยกอารมณ์หรือแยกกิตตัวเองแยกสัญญาของตัวเองนั่นแหละนะคิดอย่างเนี้ยกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยสัญญาชนิดนี้เป็นอะไรก็ต้องแยกท่นหมั่นวิเคราะห์ใครครวรพิจารณากับทุกอารมณ์เนี่ยนะจริงๆแล้วรับอารมณ์ใดก็วิเคราะห์ข้างข้างในตัวเองนะไม่ได้เป็นเน้นวิเคราะห์ข้างนอกมากนากักหรอก เพราะว่าตัวสัญญาทั้งหลายเนี่ยเป็นภายในถ้าเข้าใจภายในก็จะเข้าใจภายนอกได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะก็ต้องเอาพวกสัญญาความจำหมายรู้ของตัวเองมาทำปริญญาสำคัญนะเบื้องต้นก็คือแ ย, ยกให้รู้ว่าเป็นกุศลสัญญากับอกุศลสัญญากุออกศลสัญ ญ, ญญาก็คือเนคขมะอพยาบาทและอวิหิงสาอกุศลสัญญาก็คือ การมสัญญาพยาบาทและวิหิงสาสัญญาสัญญาเหล่านั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นไปกับรูปเรียกว่ารูปประสัญญาถ้าเป็นไปกับเสียงก็เรียกว่าสัทธาสัญญาเป็นไปกับกลิ่นคือรู้กลิ่นก็เรียกว่าคันธ่สัญญาเนี่ยนะถ้ารู้รสก็เรียกว่ารสสัญญาถ้ารู้โพธาะเรียกว่าโพธาะสัญญาถ้ารู้อารมณ์ทั้งหลายที่เหลือจากนั้นเรียกว่าธรรมสัญญาเนี่ยนะก็แยกอารมณ์แยกสัญญาของตัวเองในการรับอารมณ์ทุกอย่าง ทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะถ้าอัพยากตะก็คือตามทวารต่างๆนั่นเองเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำยาตะปริญญาเนี่ยนะทำยาตะปริญญาในสัญญาทั้งหลายในทวาร6ในอารมหกเนี่ยนะทั้งที่เป็นกุศลสัญญาและอกุศลสัญญาว่าอากุศลสัญญาเช่นกามสัญญานี่เกิดจากอะไรก็เกิดจาก กามสัญญาเนี่ยนะเกิดจากความต่างแห่งภาษาภาษาก็เกิดจากความต่างแห่งธาตุทั้งหลายเอาวิเคราะห์ใครขครวนพิจารณาให้ละเอียดละออ น, นนะจริงๆแล้วในนามธรรมเนี่ยถ้าทําปริญญาในภาษาดีเนี่ยนะก็เท่ากับทําปริญญาในสัญญาเพราะสัญญากับภาษานี้เกิดร่วมกันเนี่ยนะเกิดร่วมกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเจตสิกคนละดวงเนี่ยนะเจตสิกคนละตัว มันภาษะธรรมชาติที่กระทบอารมณ์สัญญาก็ธรรมชาติที่จำหมายในอารมณ์น่ในอัตกรถาหน้า378้อเนี่ยอธิบายถึงการกำหนดรู้สัญญาว่ามูนีกำหนดรู้สัญญาต่างด้วยการมสัญญาเป็นต้นแม่นามรูปโดยแนวทางแห่งสัญญา หรือโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในก่อนคือในภาษานะด้วยปริญญาสามพึงข้ามโอฆาทั้งสีด้วยปฏิปทานีตอนนั้นมุนีนั้นข้ามโอฆาได้แล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือด้วยตันหาและทิฏฐิละกิเลสคือตันหาและทิฏฐิได้เป็นมุนีมีอาสะวะสิ้นแล้วเป็นผู้ถอนลูกศรได้แล้วเพราะถอนลูกศรคือกิเลสมีราคะเป็นต้นได้แล้วเป็นผู้ไม่ประมาทเที่ยวไปเพราะถึงความภัยบุญแห่งสติ หรือเป็นผู้ไม่ประมาทเที่ยวไปในการเบื้องต้นเป็นผู้เป็นผู้ถอนลูกสอนได้เที่ยวไปด้วยความไม่ประมาทนั้นไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าซึ่งต่างโดยอัตภาพของตนและผู้อื่นเป็นต้นย่อมปรินิพานเพราะดับจิตดวงสุดท้ายได้โดยแท้เหมือนไฟหมดเชื้อฉะนั้นภาษารีบุตรวางระเบียบธรรมะนั่นแลจบธรรมะด้วยยอดคือพาหัส ด, ด้วยประการชนีเนไ